มองไม่จบเลยนะเช่นคิดถึงวางแผนจะไปบางแห่งใช่ไหมยาวเลยเรื่องนะั้นอย่างไรนะก็อย่างนี้แหละดูก่อนอานอน์นี่แหละเรียกว่ากามคุณห้าให้พิจรารณาเบาๆว่าจิตของตนเนี่ยมีอยู่หรือไม่ที่ติดข้องในสิ่งนั้นหรือความฟุ้งซ่านแห่งใจเกิดขึ้นแก่เราเพราะกามคุณห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่งยังชอบที่จะเห็นอะไรอยู่หรือ ยังชอบสีเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นต่างๆหรือนี่ก็มาตรวจสอบเราเองอนะก็ตรวจเช็คตัวเองบ่อยๆว่ายังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือดูก่อนอนอนลถ้าพิจารณาอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่ามีอยู่เลยอันนี้นะคือสอบสวนตัวเองอ้าวสรุปไอ้เจอตั้งเยอะเลยเนี่ยที่ความฟุ้งซ่านในภายในแห่งจิตเกิดขึ้นแก่เราเพราะการมาคุณหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนะลองดูนะตรวจอาหารดูนะสลับเป็นยังไง มักกโรนีเป็นยังไงต้มยำเป็นยังไงไก่ย่างเป็นยังไงส้มตําเป็นยังไงก็ไล <laughs> ่อย่างเงี้ยไปเรื่อยเลยนะโอ้ไม่มีคลองสักอันเลยนะนะพอต้มตําเป็นยังไงต้องไปกินร้านโน้นแล้วก็โนหลายอันหนึ่งไงนะใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ใช่เค้กเป็นยังไงโอ้เค้กร้านโน้นเนี่ยนะก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงอ่ะก๋วยเตี๋ยวร้านโน้นเนี่ยทำยังไงว่าติดหมบเลยไง ไปงี้ไปเจริญมรณานุสติแทนนะก <g> ล <ül> ับไปเจริญมรณานุสติดีกว่าอย่าไปคิดหาเลยเพราะมันท่วมไปหมดแม่งงั้นนะอันนี้แหละถ้าใส่ใจอย่างงี้ว่าโอ้ย่างฟุ้งอยู่ก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าความกำนัดพอใจในการมาคุณห้าเหล่านี้เรายัางละไม่ได้เลยแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าไม่มีเลยเออนะพระสาวกของพระพุทธเจ้ า, าไม่มีเลยเนี่ยบางองค์เอ่อพระตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปแล้วไม่มีเลยที่ใส่ใจแล้วติดนี่ไม่มีเลย ความฟุ้งซ่านในภายในแห่งจิตที่เกิดขึ้นเท่าเรา ที่เกิดขึ้นแกเราเพราะการมคุณห้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพราะอายตนาใดอายตนาหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นที่สุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าความกำนัดพอใจในกามาคูณห้านี้แเราละได้แล้วด้วยอาการอย่างนี้ตรวจเช็คเลยนะยังชอบอะไรอยู่หรือเปล่ายังชอบเครื่องประดับอยู่ไหมเครื่องประดับที่มีทั้งหมดมาไล่ดูแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นยังติดข้องไหมของไม่ติดแล้วนะขณะนี้แล้วนะ <S <S เอาเหรอยังติดอีกอันนี้เหรอยังติดอีกนะ นาฬิกาเรือนไหนบ้างไงนะเสื้นนะอใ น, นชุดไหนงามที่สุดในนั้นนะอ่ะนะก็ตรวจ ด, ดูนะะตรวจไปไอ้ที่เราเก็บไว้ชอบใจหมดเลยไงนะสังเกตดูนะตอนตอนที่จะคัดทิ้งอ่ะนะคัดไปคัดมาเอออันนี้ก็ดีเอาไว้ก่อน <c oughs> เอออันนี้ก็ยังใช้ได้เอาไว้ก่อนค <c oughs> ัดไปคัดมาอุสรุปแล้วนะเหมือนกับไม่ได้คัดอะไรเลย <c oughs> เหมือนกับว่าทุกอันนี้ใช้ได้หมดเลยดีหมดเลยไงนะ ดีไม่ดีนะตัวนี้เราซื้อมาตั้งหลายตังอย่างเงี้ยนะตัวนี้ก็ซื้อมาแพงมากตัวนี้ก็หืมกว่าจะได้มาเลยติดข้องหมดเลยอย่างเงี้ยกน็น่าคิดนะหรือวาไม่เกิดในผ้าในตู้เสื้อผ้ า, าจะลำบากทีนี้ถ้าอุปาทานขันห้าถ้าจะเป็นธาตุหันนะถ้าจะบรรลุคุณธรรมชั้นสูงก็บอกว่าอุปาทานขันห้าเหล่านี้แหละที่ภิกษุเป็นผึ่งเป็นผู้พิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอยู่ว่าสรนะุปนขันห้าเกิดเดียกันเท่าไหร่ 25้าขันห้าจะดับโดยอาการยี่ห้ารวมเกิดดับโดยอาการห้ิวิธีคิดก็มาเยก่ว่าดังนี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับไปแห่งรูปรูปเกิดโดยอาการเท่าไรห้ดับโดยอาการห้ารูปทั้งเกิดดับโดยอาการเจ็เนี่ยนะรูปมีอะไรบ้างรูปคือภูตรูปและรูปที่อาศัยภูตรูปเห็นผู้การนั่งปั๊บภูตรูปและอุปาทายรูปเลยใช่ไหม สาธุรูปนั้นอะเกิดเด้วยอาการเท่าไหร่นะมองเห็นผู้การเลยคิดว่าเกิดเด้วยอาการห้าใช่ไหมหนึ่งพ้อะไรเกิดอิชาเกิดสองตัณหาเกิดสามกรรมเกิดสี่อาหารเกิดห้านิผิดนิพติลักษณะนิพัติลักษณะกี่ปีแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอาคิดให้เจริญให้ได้ปริญญาคถาเลยนะ แถมไม่ปริพูน <c oughs> เอาให้เต็มเลยนะเ <c oughs> จงเนี่ยพวกเราจะบาปหรือเปล่าเนี่ยล้อเรเียนคนอายุมาก <c oughs> เอาเป็นตัวอย่างธรรมะเนาะได้สังเวชเพิม่มอีกนะ <c oughs> ไม่ใช่ฟังนี้แล้วไปตรอมใจมากเด้อไม่ใช่นะ <c oughs> ทีนี้ภาพเนี่ยขันท่าผู้การเนี่ยจะจะไม่เกิดรูปประการเนี่ยจะไม่เกิดไม่เกิดโดยการเท่าไหร่ <c oughs> อ่าเพราะอะไรดับ <c oughs> อวิชาดับรูปจึงดับตันหาดับรูปจึงดับอะไรดับ ตามดับรูปจึงดับท่าหารดับรูปจึงดับแล้ววิปริณมามลักษณะผู้การนี้มีวิปริณมามลักษณะมากี่ปีแล้วเจดสิบปีมีปริมารู้จักเจ็สิบปีแล้วอ่ะเปลี่ยนมาเรื่อยเรื่เจดสิบปีแล้วนี่เรียกว่าวิปริณมามลักษณะให้เกิดกระเสื่อมมันก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละถ้ากรรมาชรูปเกิดทั่วนุขณาจิตใช่ไหมแล้วก็เสื่อมทุกอนุขณาจิตเนี่ยนะถ้าจิตจะชรูปล่ะ เวนเว้นเว้ น, วนทวีปัญจที่ไม่ทำจิตตชรูปและอาหารชรูปละ่ะก็ทุกอนุขณนาจิตอุตูชรูปก็ทุกอาณุขณนาจิตเหมือนกันนี้เวทนานี้เวทนานี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนานี้ความดับแห่งเวทนาเวทนามีเท่าไหรไ่ไปมาเนี่ยจะไปไกลมากแต่นะเวทนาสามในทวารหกได้เอา้าคิดง่า ย, ายๆหรือจักขูสัมผัสเวทนาก็ได้ เวทนาที่เกิดจากทางตาเห็นข้าวนี่คิดยังไงยมพ่อเห็นข้าวคิดยังไงยมพ่อระวังเกิดเศร้านาข้าวอยู่นี่เน้อไม่ต้องนึกจะดีเนี้อนาจักขู่สัมผัสชาเวทนาและโสตาสัมผัสชาเวทนาคานะชิวหากายเละมโนสัมผัสชาเวทนาเวทนาสามที่เกิดตามทวารหกเวทนาเหล่านี้จะเกิดเพราะอะไรเกินอวิชชาเกิดตันหาเกิดกรรมเกิดและ จักขู่สัมผัสเกิดโสตาสัมผัสเกิดคานะสัมผัสชิวหากายาเลมโนสัมผัสเกิดขึ้นเวทนาเหล่านี้จึงเกิดขึ้นถ้าเวทนาเหล่านี้จะดับเพราะอะไรดับอวิชชาดับตัณหาดับกรรมดับถ้าตาไม่มีจักขู่สัมผัสไม่มีตาก็ไม่มีต่เวทนาก็ไม่มีโสตาสัมผัสไม่มีเวทนาก็ไม่มีถ้าคานะสัมผัสไม่มีก็ไม่มีเวทนาถ้าชิวหาสัมผัสไม่มี ก็ไม่มีเวทนาถ้าไม่มีกายสัมผัสก็ไม่มีเวทนาเนี่ยนะถ้าไม่มีมโนสัมผัสไม่มีเวทนาถ้าไม่คิดน่าไม่เสียใจเลยเหรอไหมน้าคิดบางหน้าเราเราเสียใจบางอย่างนี่เพราะไปคิดแท้ๆเองอ่ะนะ <im it> แก่งจิตไปหาหนามเองก็เลยมาเสียใจอย่างเงี้ยแกงจิตไปหาเศษขวดเองก็เลยบาดมาเนี่ยเลยเครียดอยู่เนี่ย <c oughs> เ, เราโทษเขาเราโทษเราอแล้วทําไมไปคิดถึงทำาร้ายเนี่ยนะ <im it> นเราเนี่ดีหมดเลยใช่ไหม คิดแล้วเป็นบาป ก, ก็ยังว่าตัวเองดีอีกนั่นแหละเฮ้ยนะักคนทั้งหลายสัพเพสัตตาเวราโหตุยังอยู่เป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้เบียดเบียนซึ่งการและการเลยเนี่ยนะเมืนะ่อชอบกว่งหาอะไรก็ไ้นะกว่งความคิดไปจนเดือดร้อนจนได้อย่างเช่นนะคนขับรถเนี่ยบางทีก็ชอบไปช่วยขับคนอื่นอีกนะนี่ควางว่าคงไม่มาเป็นนายกเนตานนะคงไม่เป็นเจ้าหนะ้าที่โบราณสถานเนตานอีกบอกก็ต้องอย่างนั่งต้องอย่างงี้นะ่ยนะจะมาเป็นเจ้าหนะ้าที่อยู่เท่านี้ก็ได้ยังไง น, นนะทำไมจัดคิวดิ ดีไม่ดีเนี่ยมาจัดโรงเรียนให้เด็กเบ็ดเสร็ดบอกเครื่องแต่งตัวเบ็ดเสร็ดหมดอย่างเงี้ยนะก็โอ้โหแข่งความคิดจนป่วยจนได้นี่แหละไม่คขมควรอย่างยิ่งสรุปว่าเวทนาเกิดโดยอาการห้าดับโดยอาการห้าเนี่ยนะแล้วสัญญาสี่สัญญาสัญญาเท่าไหร่สัญญาอะไรบ้างรูปประสัญญาสัทธะคันธาระสะโพทะพาและธรรมสัญญา สัญญาจะเกิดโดยอะไรเกิดอวิชชาเกิดตัณหาเกิดกรรมเกิดและภาษะเกิดเนี่ยนะนี่ถ้าหากเราไม่ไม่ได้มามีจกักขูสัมผัสในเจดีนี้เราจะคิดถึงเจดีนี้ไหมไม่มีถ้าไม่ได้ไปยิได้ยินเสียงบางอย่างจะสัญญาในเสียงนั้นจะมีได้ไหม ไม่ได้ถ้าไม่มีภาษาในกลิ่นนั้นๆเนี่ยนะจะถ้าไม่ได้ภาษากับกลิ่นห้องน้ําเนี่ยปฏิฆาสัญญาจะเกิดไหมปฏิฆาสัญญาจะเกิดไหมก็เพราะมีคานัดสัมผัสเลยคุณไปทูลเขาว่าไงนะเห็นชักโครกปิดอยู่นี่ผมเนี่ยคิดแล้วพี่เด็กจะเปิดไหรือไม่ว่านั้นก็หมายว่าจะให้คานัาสัมผัสเกิดหรือไม่พยาบาทสัญญามันก็จะเกิดขึ้นนะอะ ก, ก็ก็อย่างนั้นเลยก็เพราะว่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะภาษาทางตาใน แต่บ้าทางตาบางคนทําใจได้นะแต่ทางจมูกนี่มันทำใจไม่ได้เลยก็เ <g år> พราะภาษานันแหละเกิดใช่ไหมก็เพราะสัญญาเพราะภาษาทางลิ้นนั่นแหละเกิดหรือเพราะมโนสัมผัสก็เพราะคิดไปเองนั่นแหละจึงอากุศลสัญญาต่างๆเหล่านั้นนั้นเกิดขึ้นก็เพราะภาษาเกิดนั่นแหละสัญญาจึงเกิดนะลและสัญญารู้ภาษาสัญญาเรามีตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่มีตามาเรื่อยเลยสัทธาสัญญามีมาตั้งเมื่อไหร่ ต่งกับมีหูมาเนี่ยแหละอ้ยภาษาเต้นไปหมดเลยแล้วสรุปเลยไปหาสังขารนะสังขารคืออะไรเจตนานะยกเจตนาขึ้นมาเจตนามีเท่าไหร่เจตนาหกหรือเจตนาเป็นกายญสันเจตนาวิจีสันเจตนาและมโนสันเจตนาที่มีในสีที่มีในรูปนะที่มีในเสียงมีในกลิ่นมีในรสพันเจตนาสามคูณอารมหกเท่ากับเจตนา18ดเนี่ยนะเจตนาทั้งหมดเหล่านั้นเจตนาเหล่านี้เกิดเพราะอะไรเกิด อวิชาตันหากรรมผัสสะถ้าไม่ผัสสะนะถ้าไม่เห็นจะไม่พูดถึงพวกนั้นเลยอ่ถ้าไม่ยินจะไม่พูดเลยจะไม่รู้กันนะแสะดงว่าผัสสะนี่ร้ายมากใครนอจะเห็นว่าผัสสะเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนแผลที่พร้อมที่จะติดเชื้อพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเท่านั้นจริงๆนะมีอยู่สูตรหนึ่งอในเล่มเมืองกุรุกุรุกุ ร, กรุเดี๋ยวไปถึงโน่นจะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสเขาบอกว่าผัสสะ ทวารหกนี่เหมือนแผลเลยเหมือนแผลที่พร้อมจะติดเชื้อบอกเหมือนอย่างว่าหมอผ่าตัดแผลให้แล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าคุณต้องรักษาแผลของคุณให้ดีนะถ้ารักษาแผลของคุณไม่ดีเดี๋ยวมันติดเชื้อรามมาใหม่นี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันมันาษศในทวารหกนี่เหมือนกับแผลจริงๆเหมือนกับแผลจริงๆเพราะว่านํามาซึ่งความติดเชื้อบางทีก็อักเสบตั้งนานใช่ไหมแต่เห็นบางอย่างมาอักเสบตั้งครึ่งเดืนอนหนึ่งเลยเคยไหม บางผู้การเล่าให้ฟังว่าอักเสบเป็นเดือนก็มีบางคนนี่อักเสบนานกว่า น, นั้นอีกก็แล้วแต่ไปเห็นอะไรมาเนี่ยนะอ๋ออักเสบทางหูใบ่ายกับทางตาเนะอะผู้การได้ว่าเข้าริสอร์น่อักเสบพยานตาใช่ไหม ถ้ไปที่อืน่นบางแห่งก็อักเสบทวารหูหรือว่ามันอักเสบทวารไหนมามากกวาันเนี่ยนะแต่ของเราทั้งหลายอักทุกทวาร น, นี่ยุย่งมากเลยนะจนบวมเป่งหมดแล้วแต่ละทวารเนี่ยนะตาก็ตาแดงหมดแล้วทวารหูก็หูจนน้ำหนองจะไหลอยู่แล้วเนี่ยนะทวารจมูกก็น้ำเจนอรนะัมันไหลเยอะมาตลอดเป็นต้ตนเนี่ยนะก็อักเสบทุกทวาร น, นั่นแหละก็เอยกว่าจะใส่ใจว่านี่คือแผลเนี่ยก็มไม่ง่ายนะทั้งๆ้งที่พระองค์ก็สอนนะแต่เราจะยอมรับว่าทวารหกคือแผลเนี่ย แมยากนะที่จะทําใจได้บางทนะีแต่จริงๆแล้วก็เป็นแผลนะที่เกิดจากกรรมด้วยทวารหกไม่มีใครแต่มมันได้จริงๆเลยนะสมมติว่าคนเกิดมาตาพิการตาบอดมาเลยทําให้มีตาได้ไหมไม่ได้เป็นแผลที่ต้องมาด้วยกรรมของตัวเองด้วยอ๋อหูก็เป็นแผลที่ต้องมาด้วยกรรมของตัวเองด้วยจมูกเล่นกายแต่ละส่วนก็มาด้วยกรรมเป็นของของตนจริงๆทีนี้ถ้าวิญ ญ, ญาณวิญ ญ, ญาณมีเท่าไหร่มีหกวิญ ญ, ญาณหกจากขู่โสตค า, านาชิวหะตายเละ มโนวิญญาณวิญญาณจะเกิดเพราะอะไรเกิดอวิชชาตันหากรรมแล้วก็นามรูปนิพพติลักษณะถ้าจะดับวิญญาณอาวิชชาเป็นต้นดับนั่นแหละเนี่ยนะนี่จะถ้าจะเลิกเห็นเพราะอะไรดับเนี่ยนะต้องมาคิดดูนะที่เห็นอยู่เนี่ยจากคุวิญญาณเกิดเพราะอะไรเกิดถ้าจะดับการเห็นทั้งหมดเพราะอะไรดับลองฝึกคิดแบบนี้นะเนี่ยถ้าจะเลิกได้ยินเนี่ยเพราะอะไรเกิดเพราะอะไรเกิดจึงได้ยินถ้าจะดับอะไรจึงจะเลิกได้ยินต่อไป จริงก็คือแนวเดียวเนี่ยอย่างนี้ขันห้านี้ความเกิดแห่งขันห้านี้ดับแห่งขันห้ากับโลกันนี้โรทสูนะั่คือเรื่องเดียวกันแต่วิธีแสดงคนละคนละอุหานเทศนาเท่านั้นเองผู้พิจารณาเห็นทั้งความเกิดความดับในอุปาทานขันห้าอยู่นีอ้อยู่อย่างนี้ก็จะละอัสมิมานะในอุปาทานขันห้าได้ก็ไม่รู้จะเอาขันห้าอะไรมาเป็นที่ตั้งแห่งมานะเนี่ยนะ เห็นเด่เห็นสาธยายกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมผู้ที่มีความสําคัญในกายเนี่ยนะแล้วก็อาศัยกายอันนี้แล้วไปดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะก็เอาอะไรมาแข่งกันเอาแผลมาแข่งกันเอาฝีมาแข่งกันเอาหนองมาแข่งกันเอาชื้อโรคมาแข่งกันว่าโรคของชั้นนี่มันโรคชั้นดีนะเพราะฉะนั้นชั้นปะสะัสสาวะนะนาะะ้าปัสสาวะชั้นดีกว่าอย่างนี้หรือเปล่า ถ้าคิดลงเลยเหรอเลยเหรอแล้วก็เลิกเลยพอแล้วเขาจึงเขลาวันร ะ, วระหว่างที่เปรียบยืนจะมีอะไรนอกจากไม่คิดเรื่องอริยศาสตร์เนี่ยนะแสดงว่าไม่อริยศาสตรไม่อยู่ในหัวใจเลยจึงแข่งอะไรจึงแข่งว่าเนี่ยนะชั้นนักเอานักโทษทหารก็แข่งกันนะ <S <S แกเนี่ยมันนักโทษทหารชั้นเลวฆ่าสินักโทษทหารชั้นดี <S <S แกนะแกเนี่ยถูกตืนชั้นเนี่ยถูกฉีดตายเรแข่งกันในความเป็นนักโทษทหาร คนไปเรื่องมะเร็งแกเนี่ยเป็นมะเร็งที่โน่นฉันเป็นมะเร็งที่นี่ฉันมะเร็งฉันดีกว่าไงารู้ไหมรู้จะแข่งกันทําอะไรนะแกเนี่เป็นเอตรยาสามชั 3, ้นนี่สิเป็นเอตรยาหนึ่งเองแข่งกันอย่างนั้นเนะี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อันนี้ยังแข่งเรื่องความหิวอย่างนี้ใช่ไหอแข่งเรื่องเจ็บปวดแข่งเรื่องปวดหลังแข่งเรื่องปวดเมื่อยแข่งเรื่องเป็นหวัดหรือเปล่าช่วงนี้คณะเรานี่กําลังฮิตมากหวัดหลงคอ นะดูว่าใครจะเป็นกว่ากันนะนะปันเร็กว่ากันเนี่ลมไปหนึ่งแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุกขึ้นมาสู้ต่อธรรมะทั้งหมดนะสรุปทบทวนที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสมาธิในภายในเรื่องสมาธินะสองอิริยาบถเกี่ยวกับอิริยาบถสามเกี่ยวกับเรื่องการพูดสี่เรื่องตรึกห้ากามาคุณห้าเรื่องที่หกอุกความเกิดดับแห่งอุปาทานขันห้า ดูก่อนอนอนทธรรมนั้นๆเหล่านี้แลที่พูดมาทั้งหมดนะเนื่องมาแต่กุศลโดยส่วนเดียวไกลจากฆ่าศึกเป็นโลกุตระอันมารผู้มีบาปอย่างลงไม่ได้ดูก่อนอนอน์เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไ น, นสาวกมองเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงควรใกล้ชิดติดตามศาสดาคือเห็นประโยชน์อะไรทำไมจึงติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขานนก็ตรัว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระพุทธเจ้าเป็นเหตุมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัยขอได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าข้าเนื้อความแห่งภาษีนี้จงจำแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นพิสูจทั้งหลายฟังต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจําเอาไว้พระองค์ก็ตรัสเลยว่าดูก่อนอนอนท์สาวกไม่ควรจะติดตามศาสดาเพื่อฟังสุตตะคยะวยากรณะ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทำทั้งหลายอันพวกเธอสดับแล้วทรงจําแล้วคล่องปากแล้วตามเพ่งด้วยใจแล้วแทงตลอดด้วยดีด้วยที่ถีแล้วด้วยความเห็นเป็นเวลานานคือถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยนะถ้าสาวกถ้าม้งจะติดตามเพื่อจะฟังเพื่อที่จะทรงพระไตยปิฎกไม่สมควรเพราะว่าพวกเธอไม่ได้เข้าใจผิดอะไรเลยอันนี้พูดสำนวนโบราณนะสมัยพุทธกาลเพราะท่านเหล่านั้นที่ติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เข้าใจผิดในคําสอนเลย เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเธอจะติดตามเพื่อฟังก็ไม่สมควรไม่สมควรเพราะก็เข้าใจาอยู่แล้วไม่รู้จะตามฟังไปทาอะไรดูก่นอนอนนแต่สาวกควรจะใกล้ชิดติดตามาศาสดาเพื่อฟังเรื่องราวเห็นตานี้คือฟังอะไรฟังเรื่องที่ขัดเกลากิเลสเป็นอย่างยิ่งเป็นที่สบายแก่การพิจารณาทางใจ เป็นไตเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเป็นไตเพื่อคลายกำนังเป็นไตเพื่อความดับเป็นไตเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไตเพื่อความตรัสรู้เป็นไตเพื่อพระนิพพานเนี่ยนะคือถ้าจะติดตามนะให้ติดตามฟังถ้อยคําที่เป็นไตเพื่อมรรคผลนิพพานคือฟังทำให้เป็นฟังเป็นฟังกถาวัตถุไม่ใช่ฟังเพื่อจะทรงปริยัตแต่ฟังเพื่อจะให้เป็นกถาวัตถุคือฟังเพื่อจะได้ไปปฏิบัติเพื่อความ มากน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยาณทัศนะ ถ, นถ้าจะติดตามฟังก็ให้ติดตามฟังเพื่อประโยชน์เหล่านี้เพื่อกถาวัตถุสิทธิ์ดูก่อนอนน์ <c oughs> <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนั้นจะมีอุปถัมภ์ของอาจารย์มีอุปถัมภ์ของสิทธิและมีอุปถัมภ์ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ น, นนะเพราะมันจะมีอุบาติ3มตัวนะถ้าไม่ปฏิบัติตามที่พระองค์สอน อุบาทสตัวมันจะลงเลยนะถ้าไม่ติดตามเพื่อฟังคะถาวัตถุสิทธิ์นัก็คือหนึ่งอุบาทของอาจารย์สองอุบาทของสิ 3. อุบาทของผู้ประพฤติพรหมจัร์ทีนี้อุบาทของอาจารย์เป็นยังไงอุบาทของอาจารย์อาจารย์ในที่นี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะหมายถึงเจ้าละที่นอกศาสนาเราว่าบางศาสดาบางท่านในโลกนี้ย่อมพอใจในเสนาสังฆะ อันสังกัดคือป่าโคนไม้ภูเขาสอกเขาถ้ำบนภูเขาป่าชาป่าชาติที่แจ้งลอมฟังเมื่อศาสดานั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพวกพราหมณ์ขึ้นหาบาดีชาวนิคมและชาวชนบทก็จะเข้าไปหาเมื่อพวกสมณะพราหมณ์เมื่อพราหมณ์ขึ้นหาบาดีชาวนิคมชาวชนบทเข้าไปหาศาสดานั้นจะปรารถนาจนหมกมุ่นอย่างหมกมุ่นจนถึงความวุ่นวายเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากมากมา ก, มากในอะไร มากๆใช้กับอะไรใช้กับปัจใจสี่หรือการมคุณห้าเรียกว่าเวียนมาหมกมุ่นในปัจใจสี่หรือเวียนมาหมกมุ่นในการมคุณทั้งห้าดูก่นอนอนนน์ศาสดานี้เรียกว่าอาจารย์มีอุปัตถวะด้วยอุปัถวะของอาจารย์หแายว่าโรคหาหรือโรคระบาดโรคอุบาทได้ลงอาจารย์เรียบร้อยเลยว่าไงดูก่นอนอนนน์ศาสดานี้เรียกว่าโดนอุปัถวะเนี่ยนะเสียหายมากเลยใช่ไหมเราจะไม่เรียกโรคหาโรคอุบาทได้ยังไง อะไรก็ถึงขนาดว่าเลิลมในการปฏิบัติหมดกลับมาอะไรทำไปทํามากลับมาหมกมุ่นในวัตถุตามตามเดิมเนี่ยนะก็จะเรียกว่าไม่เสียหายได้ยังไงเพราะอากุศลธรรมอัลามกเศร้ามองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความกังวลกไวายมีความทุกข์เนวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไปได้ฆ่าศาสดานั้นเสียแลว้วนะเจ้าละที่นั้นถูกฆ่าเรียบร้อยเบ็ดเสรแล้วนเนี่ยนะดูก่อนอนอ น, อนนี้เรียกว่าอุบัติของอาจารย์นเนี่ยนะ อุปทวะเนี่ยนะแปลเป็นไทยๆว่าอุบาทว่า ง, งั้นอุบาทได้ลงอาจารย์แล้วจังไรได้ลงอาจารย์แล้วเพราะนั่นโลคหาได้ลงเรียบร้อยเบ็เสร็จแล้วว่า ง, งั้นทีนี้ต่อไปถ้าของสิทธิ์ละ่ะสิทธิ์ก็ทําตามอาจารย์แล้วก็มีลาบสการะก็เสียหายอีกอย่างนั้นอันนี้หมายถึงนอกศาสนานะสองอย่างนี้นอกศาสนาทีนี้ถ้าของในศาสนาเราละ่ะดูก่อนอานอนท์อุปัทวะของผู้ประพฤติพรหมอาจารย์ย่อมมีได้อย่างไร ก็กล่าวถึงว่าพระตถ า, าคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอาหารหันต์ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมพระตถ า, าคตนั้นพอใจในเสนาสนะอันสงัดตาคนไม้ภูเขาซอกเขาทำบนภูเขาปาชา้าป่าชัดที่แจ้งและหลอมฟัง เมื่อตถาคตนั้นหลีกออกแล้วอยู่อย่างนี้สมณพราหมณ์ครือขา บ, บดีชาวนิคมชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาเมื่อเพื่อสมณพราหมณ์เครือา บ, บดีชาวนิคมชาวชนบทพากันเข้าไปหาตถาคตย่อมไม่ปรารถนาอย่างหมกมุ่นไม่ถึงความมุ่นวายไม่เวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆเนี่ยนะดูก่อนอ น, อนุนแต่ว่าสาวกของสัตของตถาคตนี่สิเนี่ยนะสาวกนะสาวกคําว่าสาวกก็คือผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระอริยเนี่ยนะ คือผู้ได้ยินได้ฟังแล้วมาปฏิบัติตามะนะท่านเหล่านั้นก็เลยลีกเร้นพอกพูนวิเวกตามตถาคตผู้าศาสดาก็เลยพอใจในเสนาสนะอันสงัดตาโคนไม้ภูเขาซอกเขาทำบนภูเขาต่าชาป่าชัดที่แจ้งลอมฟังเมื่อสาวกนั้นหลีกออกแล้วอยู่อย่างนั้นอยู่พวกพราหมณ์ขึหา บ, บดีชาวนิคมชาวชนบทพากัน เข้าไปหาเมื่อพวกพราหมณ์และขุราบดีชาวนิคมชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วสาวกนั้นย่อมปรารถนาอย่างหมกมุ่นเนี่ยนะสมัยนี้เห็นชัดเลยใช่ไหมเวียนกลับมาอย่างหมกมุ่นถึงความวุ่นวายเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากเนี่ยนะก็เลยไม่ทําอะไรแล้วสร้างอย่างเดียวใช่ไหมหมกมุ่นอย่างวุ่นวายมากเลยวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัดใจสีนี่แหละไม่ไม่มีเพรานะเน่ย นั่งสมาธิก็นึกถึงแต่อิฐหินปูนทรายนึกถึงแต่แบบแปลนึนกถึงกับโบสถวิหารนี่สั่งนันนะ่ะนะกลางคืนก็เป็นควันเหมือนกันกลางวันก็เป็นไฟคิดหาวัตถุกรรมเหมือนกันเนี่ยนะเอ๊ใครนั่งจะช่วยบริจาคเราได้บ้างงหมนกนคิดไปเรื่อยอนั่นแหละดูกออ่อนอนนนสาวกนี้เรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์มีอุบาทด้วยอุบาทของผู้ประพฤติพรหมจรรย์อุบาทลงพระพิสูจน์กันเนี่ยนะหาลงพระพิสูจนเรียบร้อยแล้วเกิดตาแล้วเนี่ย อกุสุรธรรมอันลามกเศร้ามองเป็นเหตุเกิดในภพไม้มีความกังวลกวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปได้ฆ่าสาวกนั้นเสียแล้วดูก่อนอนอน์อย่างนี้แล่อุปัฏฐาวของผู้ประพุทธพรหมจารย์ย่อมนี้ได้ถ้าศัพท์นี้ถ้าเป็นภาษาสมัยพุทธกาลจริงๆนะเป็นคำที่หนักมากๆเลยนะคำว่าอุบาทอุปัฏฐาวตัวนี้นะถ้าเป็นคนแขกเข้าฟังเนี่ยเขารู้ว่าโอ้คำนี้เนี่ยแทบจะอักรเลือดเลย แล้วก็แปลเป็นไทยๆก็อ oh ุบาตเน่ยนะถ้าเป็นอุบาทเนี่ยบางแห่งเนี่ยโหใช้คําหนักมากนะถ้าเป็นอุบาทใช่ไหมมันก็ถือว่าเป็นความเสียหายมากๆแต่ก็ถามว่าเสียหายจริงหรือที่พงว่าไหมก็เสียหายจริงๆตอนแรกพ่อจะเอานิพพานจะเลยตอนแรกก็จะเอานิพพานเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวตอนไปตอนมากลับไปกลับมามาทําอะไรมาทะเลาะการเรื่องเสื้อผ้ามาทะเลาะการเรื่องอาหารมาทะเลาะการเรื่องที่นอนยังไงนะ ตอนแรกก็เหมือนว่าจะใกล้นิพพานก็ไปทุกทีทุกทีในที่สุดอะไรล่ะก็มาทะเลาะการเรื่องเครื่องมหาพูดเนี่ยนะตอนแรกทาท่าว่าจะนี้มหาพูดโดยประการตั้งตัวงนะ่ายตอนหลังมาชุลมุนวุ่นวายอยู่กับมหาพูดอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าอันตรายของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ น, นะั้นผู้พูดก็ระวังให้ดีเด้อดูก่อนอนอนอุปัตวะทั้งสามนั้นปัตถวะของผู้ประพฤตธพรหมจรรย์นี้มีวิบากเป็นทุกข์ มีวิบากเผ็ดร้อนกว่าอุปถัมภ์ของอาจารย์และของศิษย์ทั้งเป็นไปเพื่อความต่ําเต้ด้วยสมมุติถ้าเป็นของนอกาศาสนานะอย่างมากก็เสื่อมจากอะไรอภิญญาห้าสมาบัตแปดใช่ไหมอย่างมากก็เสื่อมเท่านั้นแหละแต่ของในพระพุทธศสาสนาเสื่อมจากอะไรเสื่อมจากมรรคผลนิพพานนั่นนหูเสื่อมจากประโยชน์อย่างใหญ่หล้นจริงๆเลยอะดูก่อ น, อ น, อนันนนเพราะฉะนั้นพวกเธอจงร้องเรียกเราด้วยความเป็นมิตรอย่าร้องเรียกเราด้วยความเป็นค่าศึก ข้อนั้นจะกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เพื่อเธอตลอดกาลนานเพืาสาวกร้องเรียกาศาสดาด้วยความเป็นข้าศึกไม่ใช่เรียกด้วยความเป็นมิตรเนี่ยเป็นอย่างไรเรียกพระพุทธเรียกหาพระพุทธเจ้าโดยเป็นศัตรูเนี่ยนะคือ อ น, นุนศาสดาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอก็คือพระพุทธเจ้าสอนธรรมทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์สุขใช่ไหมเพื่อประโยชน์สุขแก่เราทั้งหลายแต่เราสาวกของศาสดานั้นไม่ตั้งใจฟังด้วยดีไม่เงี่ยโสดสดับไม่ตั้งจิตเพื่อจะรับรู้ น, นะไม่ต้องการรู้เลยที่พระองค์สอนขณะดเดียวกันก็ประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์สอนอย่างหนึ่งไพร่พทธมิตรอย่างหนึ่งเนี่ยนะดูกว่าอนอนต์อย่างนี้แหละเหล่าสาวกชื่อว่าร้องเรียกาศาสดาด้วยความเป็นฆาสึกไม่ใช่ร้องเรียกด้วยความเป็นมิตรนะถ้าไม่อยากรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ประพฤติตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละเรียกว่าประกาศความเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะ ของเราหวังว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นนะมาถึงที่นี่มาฟังสูตรนี้แล้วก็เราก็คงไม่ประพฤ่อเพื่อเป็นสตรีต่อพระ อ, องค์นะ ดูก่อนอานน์ก็เหล่าสาวกย่อมร้องเรียกศาสดาด้วยความเต็มนิสไม่ใช่ร้องเรียกด้วยความเป็นค่าศึกอย่างไรดูก่อนอนน์ศาสดาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอเหล่าสาวกของศาสดานั้นย่อมฟังด้วยดีเนี่ยโสสดับตั้งจิตรับรู้และไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาดูก่อนอนนล อย่างนี้เลยเหล่าสาวกชื่อว่าร้องเรียกาศาสดาด้วยความเป็นมิตรไม่ใช่ร้องเรียกด้วยความเป็นข้าศึกเนี่ยนะก็คือปฏิบัติตามทั้งหมดตั้งจิตเพื่อจะรับรู้ทั้งหมดเนี่ยนะดูก่อนอนอน์เพราะเหตุนั้นและเธ อ, เอพวกเธอจงร้องเรียกเราด้วยความเป็นมิตรอย่าร้องเรียกเราด้วยความเป็นข้าศึกข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุขแกเธอตลอดกาลนานก็เท่ากับบอกว่าถ้าเธอร้องเรียกเราด้วยความเป็นข้าศึก เธอก็จะประสบทุกตลอดการละนานนะจะประสบทุกตลอดการลนานเช่นใครเช่นหลวงพ่อเราอะนะหลวงพ่อไหนหลวงพ่อเทวทัศ์เป็นต้นเนี่ยนะก็จะเป็นแบบนั้นแหละถ้าอยู่สมัยนี้เราก็เรียกท่านหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อพระเทวทัพเนี่ยนะนั่นคือประพฤติไม่ตั้งจิตจะรับรู้คําสอนขณะเดียวกันก็ประพฤติหลีกเลี่ยงก็โน่นแหละถุกเขาบอกว่าถูกท่อนเหล็กเนี่ยเท่าต้นตาเนี่ยเสียบอยู่นะมอเคยเห็นตะกุกปิ้งไหม นั่นแหละเขาถูกเสียบไว้ยังไงแหละเสียบหน้าเสียบหลังเสียบซ้ายเสียบขวาตรงจนกระดิกตัวไม่ได้เลยเหล็กเท่าต้นตาลเองโอ้โหแล้วไฟเนี่พุ่งนะไฟชนิดเคยเห็นไฟเขาตัดเหล็กไหมแต่ท่านตีจะรู้จักไห้ไฟตัดเหล็กนะไฟตัดเหล็กเนี้ยเนี่ยเหล็กขนาดนี้นะไฟก็ตัดทะลุนะแท่นเหล็กขนาดเนี้ยนะเขาค่อยๆเขค่อยเป่าออกพอพุ่งเข้าไปใช่ไหมเขาก็จะให้เหล็กมันเหลวแล้วเขาค่อยๆัดออก คิดว่าชี้ไปแล้วก็ตัดตัดออกตัดออกตัดออกตัดออกตัดออกเนี่ยตัดเสาเหล็กเนี่ยนะไม่น่าเชื่อนะตัดขาดได้อ่ะเหมือนเราเต่าพวดเดียวแล้วลขาดเลยอะใช่ลมกับออกซิเจนเนี่ยนะคู่กันแล้วก็เต่าเนี่ยเหล็กขาดเป็นท่อนๆเลยอะเออไม่ธรรมดาจริงโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากนะตัวเป็นยูหดนูบิอะไรปฏิเทวทัศน์นี่ตัวใหญ่มากแล้วก็ฟ์ุ่่งมาจาก ทิศหน้าทิศหลังทิศซ้ายทิศขวาทิศบนทิศล่างไฟพุ่งมาใส่ตัวมาจากหกทิศอะคิดดูเพราะฉะนั้นก็หูร้อนแรงมากกัะนะนั่นคือโทษที่ประพฤติลีกเรื่องตากคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าอ่านในอะไรนะลัคณาสังยุทธนะลัคณาสังยุทธเนี่ยเปรภิกษุเปรตภิกษุณีเปรสัมมาเนรเปรสัมมเนรีเนี่ยนะจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยมาถูกไฟไหม้จนถึงทุกวันเนี่ยคิดดูมันนานขนาดไหนแล้วอ่ะ นั่นพราะโทษที่ประพฤติหลีกเรื่องคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าผู้ใดไม่ประพฤติตามคําสอนแล้วทําตัวหวางมีความสุขเนี่ยนะเขานี่จะประสบทุกข์ในภายหลังเนี่ยนะพันคนที่ประพฤติลีเรื่องคําสอนเนี่ยถ้าพูดตรงๆแล้วเป็นคนที่น่ากรุณาที่สุดเลยเนี่ยนะน่ากรุณาที่สุดเหมือนอย่างว่าเขาตัดถนนซิเตอร์ไฮเวย์ให้วิ่งอยู่ดีๆบอกไม่ใช่ฉันต้องการขับลูท้องนาไปยังไงนะโอ้อยอะไรจะตาแ น, นั้นะก็เนี่ย ยุคนี้เขาเป็นอย่างนั้นโดยมากเลยนะของว่าถ้าคงไม่เป็นอย่างนั้นนะก็สมาทานผู้ทางสร้างนางขฉ า, ามีแล้วก็ขอให้จิตหนักแน่นเปนตากับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูก่อนอนอน์เราจกไม่ประคับประคองพวกเธอเหมือนช่างหม้อประคับประคองภาชนะดินดิบที่ยังดิบๆอยู่อถ้าหม้อดิบๆที่เพิ่งตั้นเสร็จนะยังยังไม่ได้อบให้มันร้อนเลยเนี่ยเขาจะทํำยังไงค่อยๆประคองไปใช่ไหมถ้ากดแรงอะไรเกิดขึ้นมันบุบสิ คือเธอถ้าเป็นหม้อดินที่เพิ่งตั้มเสร็จเพิ่งหลอมเสร็จยังเปียกอยู่นะดินดิบเนี่ยต้องค่อยๆประคองนะเพราะถ้าประคองมากถ้ากดแรงมันจะเบี้ยวหมดละนี่ก็เหมือนการพอองจะไม่ทําแก่เราเดตนนะพอองจะไม่ทะนุทะลอมเราเดตน้นอกดูก่อนอนุ์เราจักข่มแล้วข่มแล้ ว, ลวจึงบอกเนี่ยนะหมายคำว่าข่มแล้วข่มแล้วจึงบอกจักยกย่องแล้วยกย่องแล้วจึงบอกคือถ้าบางคนเนี่ยในบางกรณีพงก็ ข่มใช่ไหมในบางกรณีก็ยกย่องเช่นกรณีอสอนเรื่องทุจรลิศสามนี้่ปละว่าสอนแบบไหนแบบขม่มในนนแบบขม่มอย่างเช่นเนี้ยนะอุปัตถวะของผู้ประพุติพรหมจรรย์อันนี้คือสอนแบบขม่มแต่ถ้าสุดบลาสอนเพื่อให้ว่าเออนี้เป็นไปเพื่อความเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายอันนี้เป็นการยกย่องเพราะฉะนั้นทั้งขม่มทั้งยกย่องแล้วก็บอกผู้ใดมีสาระ ผู้นั้นก็จะดำรงอยู่ได้ในาศาสนานี้คือผู้ใดมีสาระเนี่ยนะมีกุศลธรรมเป็นสาระบุคคลเหล่านั้นก็อยู่ในาศาสนานี้ได้ถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่แสวงหากุศลธรรมเป็นสาระก็ต้องกระดอนจากาศาสนานี้แน่เนี่ยก็เหมือนอะไรเหมือนทะเลจะศพจะอยู่ร่วมกับทะเลได้ไหมอยู่ไม่ได้ซากเออทะเลก็จะพัดซากศพขึ้นไม่ยอมให้อยู่ร่วมได้ถ้าองก็เหมือนการพระองค์จะไม่ยอมให้ผู้ที่เศร้าหมองอยู่ใน าศาสนาของพระ อ, องค์ก็จะเกลียดกันโดยประการทั้งปวงเพราะถ้าน้ําเสียมาอยู่ในน้ําดีเราจะเกิดขึ้นบอ่บอบอ่บอปลาเนี่ยนะหรือบ่อน้ำใสสะบกคารณีเนี่ยนะบ่อนึงเนี่ยนะถ้างูตาอยู่ตัวเดียวนะั้นน้ํานั้นเสียทั้งบ่อเลยเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะคัดซากศพออกจากจากบ่อนั้นฉันใดพระพุทธเจ้าก็คัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากาศาสนาของพระ อ, องค์ฉันนั้นต่ออักขิขันธูปมาสูตร อ, อันนั้นก็เกี่ยวกับ อ, อักขีขันธูปมาสูตรเนี่ยนะก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าจาริกไปในแครนโกสอพอพระ อ, องค์จาริกไปนี่ก็พระ อ, องค์ก็มองเห็นท่อนต้นต้นไม้เนี่ยไฟมันลุกท่วมเป็นกองไฟใหญ่เนี่ยลุกท่วมพระ อ, องค์ก็เห็นร่มไม้ของก็นั่งประทับนั่งเมื่อพระองค์ประทับนั่งเสร็จเราบอกว่าเธอเห็นกองไฟนั่นไหมเห็นพระเจ้าค่าเอานี้ดีกว่า ถ้าหากว่าไปนั่งกอดนอนกอดลูกสาวกระสับลูกสาวพรามลูกสาวครืห บ, บดีกับไปกอดกองไฟนั้นให้ตายไหนจะดีกว่ากันพระพิสุกเขาบอกว่้ยกอดกองไฟมันเป็นทุกข์จะไปดีอะไรก็ต้องกอดลูกสาวกระสับลูกสาวเครือขายพรา ม, ล, ามลูกสาวครืหข่า บ, บดีพี่พระองค์ก็เลยบอกว่าเราขอบอกขอเตือนเธอทั้งหลายอย่างนั้นนะบอกว่านู่นไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟยังจะดีกว่ายังมากตายแล้วก็ไม่ตกนรกอะไรหรอกมันก็ตายอยู่แค่ตรงนั้นเลย แต่ ก, ากาต่ายเปนอนกอดนั่งกอดนอนลูกสาวกษัตริย์พรามขึ้นหาบดีจะไปมีประโยชน์อะไรเพระเบื่ อ, อนหนักแต่ตาพระกายแต่เข้าสัวบายทุกขิวิบัติบาสนรกตัวต่อและผมก็ค่อยแสดงไล่มาตั้งแต่บริโภคจีวรของชาวบ้านก็เอาแผ่นเหล็กแดงมาหอมไหนจะดีกว่ากาันเอาอะไรนะก้อนเหล็กแดงที่บริโภคไม่ปากไม่ลิ้นไม่คอไม่ท้องไม่ลําไสไ้ไปจนถึงทวารหนักกับฉันอาหารง้องชาวบ้านไหนจะดีกว่ากาันหรือระว่างอะไรนะ การเอาอะไรนะเชือกเนี่ยมามาเชือกมัดมัดแล้วก็ถูนะสีลากไปลากมาแล้วก็บาดผิวบาดหนังบาดเนื้อบาดเอ็นบาดกระดูกจดเยื่อในกระดูกกับการอะไรการกราบไหว้เป็นต้นเนี่ยนะการที่เขาเคารพสการะไหนจะดีกว่าการแต่ใช้เตียงเหล็กตังเหล็กที่วันรอ้อนลูกโพงไหนจะดีกว่ากาันพันธงก็บอกว่าขอบอกขอตือนผู้ที่ ศีลศีลไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะอ่ามิใช่สมณปฏิญาณว่าเป็นสมณะเป็นคนเน่าในเปียกแฉะเป็นต้นเนี่ยว่าไปทุกเหล่านั้นยังจะดีกว่าเพราะว่าไม่เป็นเหตุให้ไปสัวบายทุกขติวิบัติเละนรกเนี่ยนะพอพระองค์ตัดสูตรในจบเนี่ยที่สุอกอากรือเลยหกสิบรูปบอกโอ้ทำยากทํายากอีหกสิบรูปบอกรู้สึกดีกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วนะอีศพอีหกสิบรูปบรรลุปเป็นพระอรหรันต์นะเขบอกว่า